เติมได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ ส, สอนว่า mm hmm. ความสุขที่แท้จริง mm hmm. ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า mm hmm. ความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็ค mm ือ hmm. ความสุขที่เกิดจากความสงบอของจิตใจเติม <c oughs> ได้มี <c oughs> ความ วิริยะอุตสาหะที่จะบังคับให้มาสร้างความสุขทางใจแทนที่จะไปสร้างความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกเนื้อง่ายก็มาสร้างความสุขทางใจกันเช่นวันนี้แทนที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ก็มาทำบุญที่วัดแทนแทนที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวก็เอาเงินมาทำบุญให้ทานก็จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาในระดับหนึ่งเป็นความสุขใจที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเพราะความสุข ที่ได้จากการไปเที่ยวเป็นความสุขชั่วระยะเวลาที่ได้เที่ยวพอกลับมาบ้านแล้วความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็จะหมดไปแล้วก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะจะเกิดความอยากออกไปเที่ยวเจะเกิดความอยากไม่อยู่บ้าน อยากไม่อยู่เฉยๆต้องหาอะไรทําต่อถ้าไม่ได้ทําก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาใจแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปใช้กับการท่องเที่ยวมาทมําบุญที่วัดหรือทําที่ไหนก็ได้ทําที่ให้เกิดประโยชน์กแก่ผู้อื่นก็จะทําให้ใจ องเรามีความสุขแล้วก็จะทำให้มีความอิ่มความอิ่มอกใจทำให้ความอยากไปเที่ยวนั้นอ่อนกำลังลงไปทำให้อยู่บ้านได้อยู่เฉยๆได้และยังมีความสุขที่ได้จากการไปทำบุญให้ทาน ถ้าทำบ่อยๆเข้าทํามากๆเข้าก็จะไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากจะใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะเป็นการใช้เงินที่ทําให้เกิดโทษไม่ได้ทําให้การใช้เงินนี้เกิดคุ้มเกิดประโยชนเพราะจะทําให้จิตใจเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจ เกิดความเศร้าสร้สรอยงอให้เราว้าเวเวลาที่จะต้องอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านจะอยู่ไม่ได้ก็จะต้องออกไปเที่ยวออกไปใช้เงินเเมื่อใช้เงินไปมากๆเงินทองที่มีอยู่ก็จะหมดไปก็ต้องเครียดกับการหาเงินหาทองอนี่คือโทษของการใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูก ใช้เงินไปกับการซื้อของฟุง่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จำเป็นถ้าของจำเป็นนี้ไม่เป็นไรซื้อได้เช่นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุององ่งห่มถ้าขาดแคลนไม่พอใช้ที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้การใช้ใจ่ายกับสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ไม่เป็นโทษเป็นประโยชน์ ทำให้ร่างกายปลอดภัยทำให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไม่ตายไปก่อนเวลาอันควรการใช้เงินแบบนี้เรียกว่าใช้ด้วยเหตุด้วยผลมีเหตุต้องใช้ก็ใช้เพื่อที่จะมาสร้างประโยชน์ให้กับตนสร้างประโยชน์ให้กับร่างกาย แต่ถ้าเอาเงินไปซื้อของฟุ่งเฟือยเช่นเห็นเสื้อผ้าสวยๆรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะซื้อมาอีกอทั้งๆที่ของที่มีอยู่ใช้ไปจนมันตายก็ยังจะไม่หมดแต่พอเห็นของใหม่ที่เข า, อาเอามาขาย ก็เกิดติเลตทัทนหาเกิดความโลภเกิดความอยากได้ขึ้นมาถ้าไม่ได้ซื้อก็จะดิ้นจะตายให้ได้พอซื้อแล้วถึงจะหายดิ้นไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอเห็นชุดใหม่ออกมาอีกก็อยากจะได้นี่เป็นการใช้เงินไปในทางที่จะทำให้เกิดโทษแก่จิตใจ ทำให้จะต้องลำบากลำบนกับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆจะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขทางใจที่ดีกว่าคือมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนาการกระทำทางนี้เป็นการกระทำที่ สร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่จิตใจลดความอยากให้น้อยลงไปลดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้น้อยลงไปและหมดไปในที่สุดได้นี่คือทางของนักราชทางของพระพุทธเจ้าทางของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทางของคนฉลาดทางของคนโง่งก็คือ ทางสู่การไปทำตามความอยากตา่ตางๆอยากได้อะไรก็ทําหามาอยากทําอะไรก็ทําอยากดูอยากฟังก็ไปดูไปฟังอยากนึ่มอยากรับประทานก็ไปดืม่มรับประทานโดยไม่มีเหตุไม่มีผลทําด้วยอารมณ์อย่างนี้ก็จะเป็นการเสริม สร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นทาให้มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับทาให้ต้องไปทาบาปทากรรมทางนี้จึงเป็นทางสู่ความหายนะทางที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงอย่าไปกันไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้ไป เอาเงินนาทอนที่จะไปซื้อของทำอะไรตามความอยากต่างๆมาทําบุญให้ทาน ม, มาแบ่งปันมาสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทากับวัดก็ได้ทํากับโรงเรียนก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทํากับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้ความสุขเหมือนกันเพราะ จะได้หยุดความอยากใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกแล้วก็จะหยุดความตนีชนะความตนีชนะความเห็นแก่ตัวสร้างความเมตตากรุณาที่เป็นคุณธรรมที่วิเศษที่จะทำให้เป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดี น่าคบค้าสมาคมด้วยคนเรานั้นทัาตัวให้ดีก็ได้ทาตัวให้เร็วก็ได้ไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตนเองอยู่ที่การกระทาของตนถ้าทาด้วยความตันต์ทำด้วยความโลภทำด้วยความเห็นแก่ตัวทำด้วยความ โหดร้ายทารุณใจไม้ไส้ระกำก็จะเป็นคนที่น่ารังเกียจจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมไม่มีใครยกย่องสรรเสริญแต่ถ้าทำด้วยความเมตตากรุณาทำด้วยการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวทำด้วยความไม่ตนีไม่หวง ในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆทํ า, าทไปแล้วก็จะทำกลายเป็นคนที่น่าเคารพนับถือน่าคบค้าสมาคมน่ายกย่องสรรเสริญคนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทําของเราจะทําดีหรือจะทําชั่วก็อยู่ที่ว่ามีความรู้หรือไม่มีความรู้ ถ้ามีความรู้ทางพุทธศาสนาก็จะทำความดีได้ถ้าไม่มีความรู้ทางศาสนาก็จะทำชั่วเพราะว่าไม่รู้ว่าการกระทำความดีนั้นเป็นอย่างไรถูกความไม่รู้ถูกความหลงหลอกให้คิดว่าทำตามความอยากแล้วจะทำให้ตนเอง เป็นคนดีเป็นคนมีความสุขแต่ในกับเป็นทางไปสู่การเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์เพราะไม่ได้มีพระธรรมคาสอนเป็นแสงสว่างนำทางการศึกษาพระธรรมคาสอนการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องจึงเป็นภารกิจที่สาคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่ ปรารถนาที่จะมีความสุขที่แท้จริงผู้ที่จะมีความสุขที่ถาวรผู้ที่จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความหายนะต่างๆต้องไปต้องศึกษาเพร่อทาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบทางที่จะพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวร ความดับของความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างถาวรแล้วจึงได้นำเอามาเผยแก่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่ยังมีความมืดบอดมีความหลงผิดเป็นชอบเห็นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยู่ถ้าพวกเรายังมีความอยากในสิ่งต่างๆยังอยากหาความสุขจาก รูปสียงกลิ่นรสโผฏภะยังอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีทรัพย์สมบัติข้าของมากมายกายกรแสดงว่าเรากําลังเดินทางไปในทางที่ผิดเพราะเราเห็นโกงจากเป็นดอกบวัวเห็นว่าเห็นว่าความทุกข์เป็นความสุข ไม่เห็นความทุกข์ที่ได้จากการที่จะต้องอไปสวงหาสิ่งต่างๆแล้วเมื่อได้สิ่งต่างๆมาแล้วก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาไม่ช้ากเ็เลยก็จะต้องมีวันพัดพรากจากกันไป เขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปเพราะนี่เป็นกฎของของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไ ม, ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวดังนั้นถ้าเรายังไปหลงกับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้ว ก็เท่ากับการที่เรากำลังไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเรานั่นเองเพราะว่าเราไม่มีปัญญาไม่มีดวงตาเห็นธรรมที่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมหมดไปแต่พวกเราโชคดีเราได้มาพบกับผู้ที่เห็นความจริงเหล่านี้ แล้วนำเอามาเผยแผร่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราพยายามมองให้เห็นมองตาที่พระพุทธเจ้าและพาาาระอรหันตาสาวกทั้งหลายได้เห็นต่อไปเราก็จะเห็นกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของลึกลับอย่างไรเป็นของที่เห็นกันชัดชัดอยู่ทุกวันเราเห็นคนแตะคนแก่กันอยู่ทุกวันเห็นคนเกิดมาอยู่ทุกวัน เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคข้ได้ป่วยเห็นคนตายอยู่ทุกวันแต่เราไม่คิดกันท่านั้นเองเราเห็นแล้วเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราไม่เคยคิดว่าคนที่เกิดมานั้นคนที่แก่นั้นคนที่เจ็บไข้ด้วยป่วยนั้นคนที่ตายนั้นเป็นคนคนเดียวกันเป็นตัวเราเป็นร่างกายของเราที่จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารักเช่นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรทีดาญาสนิทมิสหายร่วมเป็นคนแบบเดียวกันทั้งนั้นเป็นคนที่เกิดมาแล้วแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปถ้าเราคิดสัหน่อยแล้วเราก็จะเห็นความจริง เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมีเจริญแล้วก็มีการเสื่อมดับไปพอเราเห็นแล้วเราก็จะกลัวเราจะไม่อยากเข้าใกล้เราจะไม่อยากได้อะไรเพราะเหมือนกับเราเห็นงูพิษเวลาเราเห็นงูพิษนี่เราจะถอยเลยเราจะไม่เข้าไปหามันโดยเด็ดขาดเพราะเรารู้โทษของการ อยู่ใกล้งูพิษว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่เราไม่เห็นโทษของการที่เราอยู่กับลาบยศสรรเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นโลดโผฏฐะช น, นิดต่างๆเราจึงต้องทุกข์กับลาบยศสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นโลดโผฏฐะเวลาที่เขาเกิดความเสือ่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการดับ ไปเพราะว่าเราไม่คอยดูอยู่เรื่อยๆคอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆพอเห็นอะไรจะเห็นว่าดีอย่างเดียวเห็นว่าสุขอย่างเดียวเพราะว่าไม่นึกถึงเวลาที่เขาเสื่อมเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาจากเราไปนี่เราต้องพยายามมองส่วนนี้มากๆอย่ามองด้านเดียว ชีวิตของคนเราของทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านมีด้านดีและด้านไม่ดีมีด้านสุขและมีด้านทุกมีด้านเจริญแล้วก็มีด้านเสื่อมถ้าเราไม่คอยดูเราก็จะลืมไปแล้วก็จะดูด้านเดียวจะดูด้านดีเพราะความอยากได้จะมีอิทธิพล ค, ครอบงำจิตใจทำให้เรา ตาบอดหูหนวกอย่างที่เขาพูดว่าความลับทําให้คนตาบอดมองไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาจากการที่ไปรักคนใดคนหนึ่งรักแล้วก็ต้องทุกข์เพราะต้องหวงต้องผัวเวลาเขาไม่อยู่ใกล้เราเวลาเขาไปเกี่ยวข้องกับใคร ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นในทางชู้สาวก็ตามแต่ก็จะทำให้จิตใจของเรานีหวั่นไหวเพราะเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นหรือไม่อันนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นผลที่เกิดจากความลักเกิดจากความหึงขวง แทนที่จะมีความสุขกับคนที่เรารักเรากลับมีความทุกขกับเขาและก็อาจจะทำให้เรามีความหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีกับเขาแทนที่จะรักกันก็เลยกลับมาทะเลาะวิวาทกันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆยที่เราไม่สามารถที่จะทำใจได้ถ้าอยากจะมี ของรักของชอบก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับได้มีมามีไปได้ถ้ามีความคิดอย่างนี้ไว้บ้างเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะได้ไม่เสียหลักจะไม่เสียใจมากจนถึงกับจะ อยากจะฆ่าตัวเราเองหรืออยากจะฆ่าคนอื่นถ้าไม่คิดไว้ล่วงหน้าไม่คอยสอนใจไว้ล่วงหน้าไม่ซ้อมไม่ทำการบ้านไว้ก่อนเวลาเจอเข้อสอบขึ้นมาจะสอบตกคำว่าสอบตกก็คือจะทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากจนอาจจะถึงกับต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมฆ่าผู้อื่นแล้วก็กลับมาฆ่าตัวเอง อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามข่าวต่างๆนี่ก็เป็นเพราะว่าอยู่อย่างไม่มีความไม่มีความรู้อยู่อย่างอยู่ด้วยความหลงคิดว่าดีคิดว่าจะมีความสุขไปตลอดไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาได้ นี่คือเรื่องที่เราต้องระมัดระวังถ้าเราอยากจะอยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปมีอะไรดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่ามาหาความสุขภายในตัวเราดีกว่าความสุขในตัวเรานี้เป็นความสุขที่เราเชื่อถือได้ไว้ใจได้จะไม่จากเราไปจะอยู่กับเราไปตลอด าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขนี้ขึ้นมาแล้วรู้จักวิธีรักษาความสุขนี้ให้อยู่กับเราต่อไปซึ่งก็มีผู้ที่รู้จักวิธีนี้แล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวลกทั้งหลายท่านนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะบอกวิธีนี้ให้กับเรา ถ้าเราหมั่นฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตา ม, มก็สอนในเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้น<ม>ก็คือวิธีรักษาความสุขวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงให้อยู่กับเราไปตลอดดังนั้นเราอย่าไปสนใจกับการศึกษากับความรู้ต่างๆนอกนอก พระพุทธศาสนาให้เราเข้าหาเข้าศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนายกเว้นว่าถ้าเรายังต้องมีความจาเป็นที่จะต้องทา ม, มาหากินเราก็ยังต้องศึกษาวิชาความรู้ทางโลกอยู่ mm hmm. เพื่อมีจะได้ประกอบสัมมาชีพ mm hmm. แต่อย่าไปหลงคิดว่าความรู้นอกพระพุทธศาสนา จะเป็นความรู้ที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดต่อให้เรียนจบปริญญาเองก็ก็จะยังไม่สามารถที่จะรักษาตัวเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่สามารถสร้างความสุขที่ถาวร ได้มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอนที่จะทำให้เรานี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีความสุขที่ถาวรความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติก็มีสามขั้นนี้เองคือให้ทำทานให้บริจาคให้เสียสละให้แบ่งปันให้ช่วยเหลือผู้อื่น ให้ผู้อื่นมีความสุขจากการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นการพูดก็ดีการกระทาก็ดีหรือความคิดก็ดีให้เราคิดด้วยความเมตตากรุณามูริตาอุเบกขาเมตตาก็คือให้เราให้ความสุขแก่ผู้อื่นไม่ให้ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นไม่พูดเพื่อทาให้ผู้อื่นเจ็บช้าน้ำใจ ไม่พูดไม่ทำเพื่อให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำให้ผู้มีความสุขพูดให้ผู้มีความสุขเรียกว่าเมตตากรุณามุดิตาคือผู้อื่นเวลาพู้ได้เดบได้ดีได้ความสุขได้ความเจริญก็พูดให้กําลังใจแสดงความยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นอย่าพูด แบบอิดชาริษยาอย่างนี้จะทำให้ผู้อื่นเขาไม่สบายใจแล้วก็จะทำให้เราไม่สบายใจไปด้วยถ้าเราไม่สามารถที่จะแผ่เมตตากรุณาหรือมุทิตาได้เราก็ให้ตั้งอยู่ในอุบเบกขาคือทำใจให้เฉยอย่าไปวุ่นวายกับ ความดีความชั่วความเจริญเลือความเสื่อมของผู้อื่นถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้ไม่สามารถที่จะทำให้เขามีความสุขหรือทำให้ความทุกข์ของเขาลดน้อยลงไปได้เราก็ต้องทำใจเฉยๆอย่าไปวุ่นวายใจอย่าไปเศร้าโศกเสียใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น นี่คือการที่เราจะสร้างความสุขภายในใจให้กับเราถ้าเรามีความเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความสบายใจแล้วถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ใจของเราก็ยิ่งจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะเราจะไม่มีความ อุ่นวายใจไปกับการกระทำบาปต่างๆนั่นเองเวลาทำบาปแล้วใจเรานี้จะตกนรกทั้งเป็นจะมีความรุ่มร้อนมีความหวาดกลัวจะมีความาวิตกกังวลแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราก็จะไม่ต้องตกนรกทั้งเป็นเราจะอยู่อย่างเย็นสบาย ไม่วุ่นวายไม่เดือดรอ้อนไม่หวาดกลัวไม่วิตกกังวลแล้วถ้าเราทำใจให้สงบได้หยุดความคิดต่างๆได้ใจของเราก็จะยิ่ยงมีความสุขมากขึ้นไปได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นได้ถึงพระนิพพานชั่วกราวความสงบใจของใจนี่แหละก็คือพระนิพพานเพียงแต่ว่ายังไม่ถาวร ถ้าถาวรเราจึงเรียกว่านิพานถ้ายังไม่ถาวรเราก็เรียกว่าสมาธิเวลาทําใจให้สงบใจหยุดความคิดความปรุงแต่งหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะเบาจะสบายจะมีแต่ความอิ่มมีแต่ความสุขมีแต่ความพอไม่เดือดร้อนไม่อยากได้อะไรไม่มีอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แม้แต่ร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ชั่วคราวแต่เวลาออกจากสมาธิมาใจก็จะกลับมายึดติดกับสิ่งต่างๆใหม่ยึดติดกับร่างกายใหม่พอรา่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา ถ้าอยากที่จะระงับดับความวุ่นวายใจก็ต้องสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างและเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้แต่ถ้าเราปล่อยวางทําใจให้เฉยเฉยเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิได้ ความเจ็บไข้ได้ป่วยของใจก็จะไม่กระทบกระเทือนใจแต่อย่างใดนี่คือการสอนใจเวลาออกจากสมาธิมาแล้วสอนใจอย่าให้เกิดความอยากกับสิ่งต่างๆเช่นเวลาเกิดความเจ็บของร่างกายก็สอนใจว่าอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปาะเราไม่สามารถไปสั่งให้มันหายไปได้ ความเจ็บจะไม่หายไปได้จากความอยากของเราแต่กลับจะเพิ่มความทุกข์ใจขึ้นมาแทนที่จะทำให้ใจสงบเหมือนเดกัที่อยู่ในสมาธิก็จะทำให้ใจร้อนเป็นไฟขึ้นมาเพราะเกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปแต่ถ้าหยุดความอยากได้สอนใจให้รู้ว่า อยากไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอยากไปความเจ็บก็ไม่หายไปอยู่ดีสู้อยากไปอยากดีกว่าอยู่กับความเจ็บไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วใจของเราก็จะกลับคืนสู่ความสงบพอใจกลับคืนสู่ความสงบก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บของทางร่างกายเช่นเดียวกับเรื่องอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตาม เวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราลากไปก็เหมือนกันเราก็ต้องสอนใจให้ปล่อยวางทำใจอย่าไปเกิดความอยากให้สิ่งที่เราสูญเสียไปนั้นกลับคืนมาเพราะถ้าเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความรุ่มร้อนใจเกิดความทุกใจขึ้นมาถ้าไม่เกิดความอยากสิ่งที่เสียไปจากเราไปจะไม่ทำให้เรารุ่มร้อนใจแต่อย่างใดไปก็ไป เป็นเรื่องธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างมีมามีไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราอยากให้เขากลับมาหาเราเราจะไม่ทุกข์นี่คือการสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้คิดไปในทางปล่อยวางให้คิดในทางยอมรับสภาพเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะขึ้นหรือลงจะดีหรือชั่ว มันเกิดขึ้นแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากทำใจให้เฉยๆเท่านั้นแล้วจะไม่เดือดร้อนจะอยู่อย่างสงบต่อไปได้จะมีความสุขท่ามกลางความสูญเสียท่ามกลางความเจ็บของร่างกายใจจะไม่เดือดร้อนนี่คือการรักษาใจให้สงบอย่างถาง้าววานทำให้ใจเป็นพระนิพพาน ต้องทาให้ต้องสอนใจด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่คือการสร้างความสุขให้กับใจความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลาย ก็เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่มีความอยากตามมาพวกเราถือว่ามีบุญมีวาสนามากที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคําสอนอันประเสริฐนี้อยู่ที่เราว่าเราจะน้อมเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองหรือไม่ถ้าไม่น้อมเอามาก็ช่วยไม่ได้ ไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องเป็นคนทำเองดังนั้นขอให้เราฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆแล้วจะทำให้เราเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะทำให้เราสามารถน้อมนำเอามาปฏิบัติทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงต่อไปได้